ขอนอบน้อมพระรัตนาตายขอากาญพระจัรย์นรลงวิทย์พระจัรยร์วนัดชัยแล้วก็ขอากาศเพื่อนธรรมทุกท่านเชิญในธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกคนญาติโยมหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะทำไมพระถึงซ้อมสวดมนต์กั น, นทั้งปีไม่เคยซ้อมสวดมนต์นะที่นี่นช่วงนี้ ซ้อมสวดมนต์บทที่เรียกว่ากาเลทัตันติมัเป็นบทที่เรียกว่าเป็นบทให้พรบทให้พรเฉพาะในงานที่เรียกว่าเวลาทําบุญที่เป็นเฉพาะการนะเช่นนะเดี๋ยวในวันที่สามพฤศจิกายนี่ก็เป็นวันที่ทางวัดเราจะมีงานกระถินนะงานกระถินนี่ทําได้เพียงแค่ปีละครั้งนะคือช่วง หลังจากออกพรรษานะคือกลางเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองก็เพียงแค่หนึ่งหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นนะที่สามารถที่จะทอดกระถิ่นได้แล้วก็ภายในหนึ่งวัดก็สามารถรับกระถิ่นได้เพียงแค่ครั้งเดียวรับมากกว่านั้นไม่ได้ก็คือเรียกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่จำกัดจากัดช่วงเวลาไว้ ก็หรือว่าที่จริงก็มีหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องของการทําบุญตามการเช่นการถวายผ้าส่งน้ําหรือว่าผ้าอาบน้ําฝนก็เป็นช่วงที่เรียกว่าก่อนเข้าพรรษาหรือว่าช่วงต้นๆเข้าพรรษาการการทําบุญตามการแล้วก็เลยมีการบทบทสวดให้พรตามการเหมือนกันนะถ้าแปลโดยความหมายก็คือความหมายคือ เป็นการทำบุญที่เฉพาะการนะก็เราก็เลยอนโมทนาด้วยบทบทนี้ที่จริงมันก็มีหลายหลายอย่างนะในศาสนาพิธีนะอย่างเวลางานศพนะเดาว่าหรือว่าที่เราเรียกว่างานเรว่ามงคลนะพระก็ให้พร อ, อีกแบบหนึ่งนะถ้าญาติโยมนะได้ยินก็จะไม่ใช่บทให้พรทั่วๆไปที่เราได้ยินจากที่วัดปกติก็จะเป็นบท เรียกว่าอยันเจโคลนะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตให้เปรให้ผู้ที่ดวงรับดับขันไปอันนี้ก็เป็นงานเอาเอาว่างคลก็จะมีอีกบทหนึ่งผงานบงคลทั่วไปทำบุญตัก บ, บาทขึ้นบ้านใหมนะ่ก็จะมีอีกหลายบทที่เราสามารถเลือกให้พรได้พวกนี้นะมันถ้าเราศึกษาที่ตัวความหมายเราจะเห็นว่า เราไม่ใช่เพียงแค่ให้พรเพราะว่าถือว่าการสวเป็นภาษาบาลีนะแล้วจะทำให้คนเป็นคนดีหรือว่าทำให้คนได้มีมีความสุขตลอดไปนะที่จริงในความหมายของของทุกคาที่พระพุทธเจ้าท่านตัดนะนะมันมีความหมายที่ลึกซึ้งทั้งนั้นนะมีความหมายที่เรียกว่าเป็นความหมายในการเพื่อการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะถ้าเราศึกษา ความหมายจากพระบาดีนะหรือว่าจากพระสูตรที่พระเจ้าท่านตัดไว้จริงๆเนาะมันจะมีความหมายในภาคของการปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะเพราะะฉนั้นแต่ส่วนหนึ่งเราก็ยังรักษานะยังรักษาสิ่งที่เรียกว่าเป็นประเพณีหรือว่าเป็นพิธีกรรมไว้เพราะเราบวชเป็นเรียกว่าเป็นพระในสายเทรวาทเทรวาดคือผู้ที่นะถือเอาคําสอนของพระเถระนะ 5้ารอยรูปที่ประชุมกันหลังจากพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วสามเดือนนะก็คือมีการทำสังคสังคายนาครั้งที่หนึ่งโอวาตันใดที่พระเถระทั้งห้าร้อยรูปนั้นสรุปกันนะเราถือเอาตามเช่นนั้นเราไม่ถือเอาตามรุ่นหลังที่ครูวาจาร์าปรับมาปรับเปลี่ยนแก้ไขอีกทีหนึ่งคือเราพยายามที่จะคงไว้ตามที่พระพุทธเจ้าท่าน ท่านแนะนําหรือสั่งสอนหรือว่าบัญญัติไว้นะให้ได้มากที่สุดหรือว่าให้ได้ครบถ้วนที่สุดนี่คือสิ่งที่ที่นักบวชหรือว่าชาวพุทธแบบเชรวาดเขานับถือกั น, นะมันก็ได้มีการที่เรียกว่าต้องสืบทอดต้องเรียนศึกษาถึงข้อวัดข้อปฏิบัติหรือว่าธรรมะที่เรียกว่าตรงมาจากสิ่งที่เรียกว่าคําพูดของพู้เจ้าเจ้านะอย่างสมัยนี้ก็จะมี บางทีเห็นที่รังรถนะหรือบางทีเห็นสื่อหลายสื่อเขาค่อนข้างโหมโฆษณานะสิ่งที่เรียกว่าพุทธวจนะะพุทธวจนะมีพระอาจารย์อา่าอยู่รูปหนึ่งท่านก็แข่งขันในการเผยแพร่พุทธวจนะมากะที่จริงก็มีหลายรูปที่ท่านก็ทํามาก่อนนะั่นะ่หละคือท่พยายามที่จะเน้นย้ําหรือว่าชู ว, ว่าเราเชิญชวนชาวพุทธพวกเราเนี่ยมาศึกษาสิ่งที่เรียกว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยตรงเลยนะเอาจากนะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาทําความเข้าใจมาสู่ภาพการปฏิบัตินะเพราะบางทีชาวพุทธเราบางทีศึกษาธรรมะผ่านครูบาอาจารย์ผ่านสํานักแล้วเราศึกษาไม่ถึงพระพุทธเจ้าเราจะติดแค่เออครูบาอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ครูบาอาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นสํานักนั้นปฏิบัติแบบนี้สํานักนี้ปฏิบัติแบบนั้นนะ ว่านะ เ, รเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีแต่ละสํานักแต่ละครูบาอาจารย์มีเขาเรียกว่ามีคําพูดหรือว่ามีวิธีการนะในการนะอธิบายธรรมะแตกต่างกันไปนะชาวพุทธพวกเราส่วนใหญ่ก็เลยงงสับสนกันว่าเอ๊ะที่สอนมานี่ทําไมมันแตกต่างกันแล้วเราจะเชื่ออะไรดีนะเราจะเชื่ออะไรดีอย่างอย่างการลามชนนะ ในที่เราสวดการามสูดเนี่ยพคนนี้ก็สับสนวุ่นวายนะเพราะว่าอ่นักบวชนี่กายนี้สอนอย่างนี้นักบวชรูปนี้สอนอย่างนั้นนะสอนไม่เหมือนกันเลยถ้าเราจะเชื่อใครดีนะแต่การามาชนนี่เขายัางสับสนเนื่องจากว่ามีสมัยก่อนนี่พุทธเรียกว่าในชมพูทวีปนี่มีนักบวชหรือว่ามีาศาสนา เผยแพ่คาสอนมากมายนะตรงนั้นเป็นเรียกว่าเป็นชุมทางที่มีการโวจรของนักบวชหรือผู้ใจเด้งมีเยอะเขาก็เลยสับสนบางทีคาสอนของคนอันนั้นน่ะมันสุดโต่งมากบางคนสอนว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาชาติเดียวควรเสบสุขให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าตายไปแล้วก็วหายสูญนะนั้นเราเกิดมาแล้วเนี่ยควรที่จะหาความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะตายไปแล้ว มันก็ไม่ได้เกิดมาใหม่หรอกนะนอะตายแล้วก็ศูนย์หรือบางบางลทัทธิก็เชื่อว่าดวงจิตเนี่ยเกิดมาแล้วนะเพราะว่าเสวยกรรมเก่าแล้วก็ดวงจิตที่เราใช้ในชาตินี้เนาะในชาติต่อไปไอ้ดวงจิตเนี้ยก็จะไปเกิดเป็นพบใหม่นะเป็นสัตว์ชนิดใหม่ไปนะก็เผยแพร่กันแบบนี้มากมาย หรือว่าก็มีอีกหลายๆวิธีการที่สอนกั น, นะชาวการามชนก็สับสนวุ่นวายปุระเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยพวกเธออย่าพึงเชื่อสิประการอย่าพึงเชื่อนี่ไม่ใช่ว่านะไม่ให้ปฏิเสธนะแต่ให้รับฟังก่อนรับฟังแล้วก็ให้ปฏิบัติดูทําใดที่ทําไปแล้วนะมันเกิดเป็นอกุศลก็คือทําให้ จิตใจ ม, มันมัวหมองจิตใจมันตกตำ่ำหรือว่ามีความโง่หลงงมงายอยู่ทำนั้นเธอควรน่เสียแต่ทำใดที่เธอปฏิบัติแล้วจิตใจเธอเกิดความสุขเกิดความสบายเกิดความสงบเกิดปัญญาเข้าใจความจริงเกิดการปล่อยวางได้เธอพึงจะเดินทำนั้นเสียพระเจ้าท่านตัดตักไว้แบบนี้นะพวกเราชาวพุทธก็เหมือนกันนะสมัยนี้อาจจะคาสอนในรัที่ต่าง ก็อาจจะเยอะเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่สับสนแค่ว่าในแต่ละศาสนาเนาะที่จริงในพุทธศาสนาของเราเองนี่แหละนะในหลายในหลายนิกายในในหลายสำนักเนาะบางทีมันมีสิ่งที่คล้ายคล้ายเหมือนจะขัดแย้งกันหรือบางทีก็ขัดแย้งนล่แหละเพราะว่าบางทีพระท่านก็สอนผิดก็มีหนังสือตำราเขียนผิดก็มีนะเยอะแยะนะเอถ้าเราศึกษาดีๆเราจะดูเล้ว่าอ๋อใคร ใครสอนไปถึงแค่ตรงไหนหรือว่าสอนออกนอกลูก่นอกทางหรือไม่เราจะรู้รู้เพราะอะไรนะรู้เพราะว่าเราไม่ศึกษานะธรรมะเพียงแค่ว่าสังกัดของวัดหรือว่าสังกัดของพระเท่านั้นแต่เราควรที่จะศึกษาให้ถึงแก่นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะแก่นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้คือตรงไหนนะส่วนหนึ่งก็เราก็เอามาจาก พุทธวจนะที่พระเจ้าท่านท่านตัดไว้น่ะแหละก็คือพระไตปิฎกน 84,000 เรื่องเนี่ย 4,000 พระธรรมขันเนี่ยตอนนี้เป็นตัวแทนที่เรียกว่าพระเจ้าท่านตัดไว้นะแต่การแปลของครูบาอาจารย์แต่สำนวนเนี่ยมันก็ไม่แน่เนาะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องบาลีเราก็เพียงแท่ว่าอ่านพอเป็นแนวทางไว้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องไปเชื่อเป๊ะๆทั้งหมดเพราะว่าอะไร บางทีการสืบทอดทางทางภาษาอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็อาจจะเป็นไปได้หรือการแปลก็อาจจะแปลตามความเข้าใจของผู้แปลถ้าความเข้าใจของท่านถูกท่านก็อาจจะแปลให้ถูกผู้ที่ศึกษาต่อก็อาจสามารถตีความถูกได้แต่บางทีถ้าความเข้าใจของท่านผิดท่านก็แปลผิดถ้าเราไปเอาทั้งดุ้นมา ใช้ในการปฏิบัติก็อาจจะผิดก็ได้นั้นแม้เราจะศึกษาถึงพุทธวจนะหรือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แปลจากพระไตรปิฎกโดยตรงก็ดีเราก็ยังต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ไปเชื่อตามถ้อยคําเท่านั้นนะเราต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาดูว่าทำที่ปฏิบัติตามนั้นมันมันใช่ไหมนะหรือว่าทําไปแล้วมันกลับทําให้เราติดขัดขัดข้องอะไรไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษา ให้เข้าใจนะอย่างวันนี้ทําไมนะในในส่วนของพระเนาะทั้งหมดเนี่ยจะมีการสอบ ส, อบสิ่งที่เรียกว่านักธรรมทาสนามหลวงนะคือการสอบธรรม ศ, นะศึกษาชั้นตีนะทําศึกษาชั้นตีธรรมก็คือการที่เราให้พระพยายามเรียนตรงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเรียนธรรมะในเรื่องพุทธประวัติก็ดี เรียนเรื่องวินัยก็ดีเรียนเรื่องวิธีกรรมต่างๆก็ดีหรือเรียนเรื่องการทดลองเขียนเรียงความกระทุธรรมก็ดีเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราหลงลืมคําตังสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อคำเขียนท่านตัดว่าท่านเคยพูดว่าเฮ hey, ้ยทำไมพระสมัยนี้ไม่ค่อยชอบสอบนักธรรมกันนะ ท, ทั้งที่เรื่องราวในนักธรรมนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ มันเป็นประวัติของพ่อของเราเราอุตสาห์บวชมันเป็นเรียวกว่าเป็นพระสงค์เป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเรื่องราวของพ่อเราเราจะไม่สนใจหร อ, เ, อ, อเราไปสนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องดาราสนใจเรื่องการเมืองมันมีประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่เรื่องราวของพ่อเราเราจะไม่สนใจหรอมันน่าสนใจนะถ้าเราได้อ่านพุทธประวัติอ่านประวัติพระเจ้า เราจะเห็นความทราบซึ้งในหลายๆตอนที่พระองค์ท่านมีนะอย่างเช่นตอนที่ท่านตัดสู้ท ร, ร ม, มาแล้วนะแล้วก็เถวยวิมุติสุขที่จริงจะว่าเสวยวิมุติสุขอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ที่จริงเป็นการท่านทบทวนธรรมะที่ท่านได้รู้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการวางแผนในใจด้วยว่าเออเราจะแสดงธรรมอย่างไรจะไปโปรดใครนะที่จริงในช่วงเจ็ดสัปดาห์ ที่บริเวณต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็ใกล้เขียงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ท่านเรียกว่ามาทบทวนธรรมะที่ท่านเข้าใจแล้วก็กําหนดทิศทางในการเผยแพร่ธรรมะท่านก็ออกจากตรงต้นสีมหาโพธิ์พทุทธคยานะเดินทางไกลนะไปหลายร้อยกิโลนะไปโปรดปัญจวัคคีย์เพราะเห็นว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยเคยอุปถามท่านแล้วก็เป็นคนที่มีความใส่ตั้งใจที่จะบรรลุธรรม แต่ตอนนี้มีความเห็นผิดว่าการปฏิบัติธรรมนี้ต้องสุดโตรงต้องเข้่งเคียดต้องเข้่งครัดต้องอดทหารต้องบำเพ็ญตนให้ลำบากท่านก็เกิดจิตเมตตาอยากจะไปโปรดปัญจวับบคคีย์ก่อนก็เดินทางไปนู่นพาราณสีนไกลกันหลายร้อยกิโลเมตรเดินทางไกลไปถึงปัญจวับบคคีย์ทำไงนัดแนะกันว่าจะไม่ต้อนรับสมณะผู้มากๆคนนี้แล้ว เราอุตส่าห์ลงเชื่อท่านมาไหลโกธัญญาณในเชื่อธรรมน่านี่มาสามสิบห้าปีนะเชื่อตั้งแต่ตอนที่ตัวเองทํานายแล้วว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ความเชื่อของปุถุชนนะก็ยังวันแง่นคอนแคนนะพอพระเจ้ากลับมาฉันเข้ามาทุบายญาตินะก็เลิกความเชื่อนั่นเลยเห็นไหมความเชื่อของปุถุชนนะแม้แต่แม้จะบอกว่าตัวเอง มีความสามารถในการทำนายทาทักขนาดไหนนะเป็นพราม์ชั้นสูงขนาดไหนแต่พอแค่เห็นพฤติกรรมบางอย่างก็ศรัทธาก็หายไปเลยนะนัะ้นศรัทธาของผุุ้ชนนี่ตกได้ง่ายมากนะบางคนเห็นครูบาอาจารย์สแสดงกิริยาบางอย่างที่ดูไม่เข้าใจนะหมดศรัทธาเลย ท, ทั้งๆที่บางทีใ้ความเข้าใจของเราเนี่ยมันไม่มันไม่ตรงเองสิ่งครูบาอาจารย์บางทีท่านสแสดงไปเพียงแค่กิริยาอาการเท่านั้น แต่โดยเ น, เนื้อในข้างในท่านไม่ได้ติดแล้วก็มีนะแต่บางรูปก็ติดก็มีเนะ น, นก็แล้วแต่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเอาแต่ปัญจวคีนี่พอแค่เห็นพรอเจ้าท่านกลับมาฉันข้าวฉันน้ำนะก็นัดกันที่จะเดินหนีละไม่เชื่อลนะสามนานนี้เป็นเราแบบไหนถ้าเราเดินตั้งว่าหลายวันเนาะไปถึงที่พานาสีใกล้ๆป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน บรญจวกคีเดินหนีนะเดินหนีไม่ใช่เดินใกล้ๆนะเดินหนีไปเกือบเป็นกิโลนะพระเจ้าเดินไปังหาตะมาไกลนะบรรจว ก, วกคีพอเห็นพระเจ้าไม่ต้อนรับซ้ํำยังเดินหนีนะพุระองค์ก็ไม่ใช่ไม่ย่อทอนนะยังมีความเมตตาปรญจวกคีนะเธอเดินหนีเราเหรอเออเราเข้าใจเพราะเธ อ, อยังไม่เข้าใจธรรมะเนาะพระองค์ก็เดินตามไปถึงสวนกวางก็คือป่าอิสิปตนะมฤุกะไทยวัน ไปแสดงธรรมจักร ก, กับปัตตวะธรรมจักรนะอะเนาะพูดยากนะเอะก็ไปแสดงธรรมจักรนะแล้วปัจจวัคคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดอันนี้คือเราเห็นวนะ่าโอ้ความซาบซึ้งของของพระพุทธเจ้าในความมีเมตตากับปัญจวัคคีที่จริงท่านก็เมตตาทุกๆคนนะแหละทุกสรรพสัตว์ แม้แต่คนที่คิดทําร้ายท่านเช่นพระเทวทัตถ้าก็ยังเมตตานะเออเมตตามากเทวทัตคิดจะทําร้ายท่านเทวทัตคิดที่จะแย่งไม่ไม่แย่งเรียกว่าคิดจะครอบครองความเป็นใหญ่ในศาสนาจักรพุทองค์ก็คงตักเตือนทรงห้ามไว้ทรงมีเมตตากับเทวทัตเท่าเท่ากับเมตตากับพระราหุลลูกชายของท่านนั่นแหละ ถ้ามีเมตตาที่เรียกว่าเสมอภาคกันมากนะแต่บางทีถ้ามีคนทําผิดพระเจ้าก็ไม่มีเสพเมตตานะพอเราศึกษาดีๆอย่างถ้าเราอ่านพระวินัยเนี่ยโอ้บางทีพระเจ้าท่านตัดคําที่รุนแรงมากนะพิสูจน์บางรูปนะประพฤตินตนผิดพระวิ น, นัยหรือว่าทําตัวไม่เหมาะสมท่านไม่ใช่แบบเรียกว่าปอบโยใ น, นนะบางทีท่านดา่าได้ทั้งตบอกโมฆะบูรุษเธอทําเช่นนี้นะสมมติ พระไปเสดเมถุนอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสู้เธอเอาหัวของงูที่มีพิษเอามาอมเสียดีกว่านะไปทําเช่นนั้นท่านด่าแบบโมฆะบุตรแปลว่าบุคคลที่เรียกว่าไม่มีค่านะไม่มีราคาแล้วดนะ่าถึงขนาดเนี้ยสู้ไปเอาหัวงูพิษมาอมเสียดีกว่านะสู้ไปทําอย่างอื่นที่มัน เป็นการเจ็บกายที่ดีกว่าดีกว่าที่จะไปทำผิดศีลผิดธรรมเช่นนั้นพูดของท่านก็ไม่ได้มีแต่เมตตาแบบเรียกว่าพูดไพ่รอบพ่อพี่อย่างเดียวแต่จริงบางครั้งท่านเห็นคนทำผิดท่านก็ตักเตือนด้วยความรุนแรงแต่เป็นความรุนแรงด้วยความเมตตาอยู่นะแต่ใช้คำพูดให้ได้สติกับคืนมาว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะเป็นสิ่งที่มันหยาบช้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าปุถุชนเขาทำกัน พวกเราควรที่จะทําในข้อวัดที่เรียกว่าเป็นข้อวัดในการบรรลยธรรมกันหรือว่าประพฤติพรห ม, มจรรยกันเนี่ยคือพอเราศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะเราจะเห็นหลายมุมมองมากซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องราวของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษา ด, ดีมันจะเป็นเรื่องราวของเราด้วยนะเป็นเรื่องราวของเราเนี่ยแหละในใจของเราถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นว่าเออใจ มันก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความรักมีความชังถ้าเราไม่มีสติรู้ทันใจของเราแล้วเราก็อาจจะเป็นเหมือนโมคะบุรุษเช่นนั้นก็ได้อโมคะบุดดุนี้ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายนะที่จริงบุรุษแปลว่าบุคคลนะผู้หญิงก็เป็นบุคคลสัตว์ก็เป็นบุคคลเหมือนกันนะอ่าพรดฉะนั้นถ้าเราทําตัวผิดศีลผิดธรรมนี่เราก็กลายเป็นโมคะบุรุษได้เช่นเดียวกัน คือเรามองหรือเราอ่านในตรงนั้นเราย้อนกลับมาดูตัวเราเองกลับมาเตือนตัวเราเองมันไม่ใช่เรื่องราวแค่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนในสมัยพุทธกาลสองพันห้าร้อยกว่าปีสองพันหร้อยปีเท่านั้นแต่ีจริงมันก็เป็นเรื่องราวของเราในวันนี้เช่นเดียวกันน ะ, นะทุกเรื่องราวที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราใช้ชีวิตเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าคนจะยุคไหน ชาติไหนก็เหมือนกันมีอะไรเรามีกายแล้วก็มีใจเหมือนกันเมื่อเรามีกายแล้วก็มีใจเหมือนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากายบางทีก็ทําผิดวาจาบางทีก็ทําผิดหรือใจบางทีก็คิดผิดกายวาจาใจบางทีก็คิดถูกก็มีอันนี้มันมีเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะพบนี้หรือพบหน้านะถ้าเราจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์อยู่มันก็ยังต้องมีเรื่องการทําถูกทําผิด ในศีลในธรรมอยู่แต่ศีลท่าพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้เราเรียกว่าพ้นจากการเว้นไหวต่เกิดนะพ้นจากวัฏฏะแห่งกรรมนี้ให้ได้ในการทํากรรมฐานนี่แหละนะี่เราศึกษาพุทธประวัติพุทธเจ้านี่เราจะเกิดความทราบซึ้งมากขึ้นแต่บางคนก็ไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่นะก็ยังมีความสงสัยดังเดยอย่างผมเนี่ยจะมาบางทีก็รู้จักพระหลายรูปนะพระบางรูปที่ท่านท่าน อ่านพระไตรปิฎกนะอ่านจนจบนะแต่ท่านก็ยังมีความนังเลสงสัยว่อพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านะ้ะเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าเนอ้อหรือมีโยมบางคนที่รู้จักที่ก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีอะไรนะเป็นคนที่คุ้นกับวดัดคุ้นกับพระอย่างดีนะก็ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านะบางท่านได้มีโอกาสไปที่อินเดียไปเห็นเห็นสถานที่พระพุทธเจ้าท่าน ประสูตรตัสรู้ปริญนิพานหรือว่าจะแทงรมต่างๆโอ้พอไปเห็นค่อยเกิดความเชื่อนะเกิดความเชื่อว่าเออพระพุทธองค์ท่านมีอยู่จริงเนาะโอ้ตรงนี้เหรอเป็นที่ประสูตรตัสรู้ปริญนิพานมีหลักฐานยืนยนันมีประวัติศาสตร์ชัดเจนก็ค่อยเชื่อก็มีนะบางคนก็อาจจะเชื่อเพียงแค่ได้ในอ่านได้ฟังมาแต่บางคนเชื่อเพราะว่าเห็นกับตานะ หรือพิสูจน์หลักฐานได้ก็ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องเชื่อแบบไหนนะนะแบบนั้นแต่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะเชื่อเราควรที่จะเชื่อโดยการมาพิสูจน์ในการปฏิบัติดีวกว่าบนาะงทีการได้ยินได้ฟังมานะาอาจจะผิดเพี้ยนก็ได้หรือว่าการได้เห็นกับตาการมีหลักฐานที่สืบทอดกันมาก็ อ, อาจจะผิดเพี้ยนก็ได้ แต่ถ้าเราศึกษาโดยการเอาพระธรรมหรือว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเอาความจรงิงที่พระเจ้าท่านคนพบเนี่ยเอามารองศึกษาดูนะเราเชื่อในการพิสูจน์โดยธรรมะเนี่ยแหละเอาการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ดูว่าคําสั่งสอนอย่างที่เร า, เาได้สวดว่าในเรื่องของมรรคมีองค์แปดเนี่ยหรือว่าทางสายกลางเนี่ยมันเป็นทางที่ออกจากความทุกข์ได้จริงไหมนีเราก็ได้สวดแล้วเนาะนีะ่ ธรรมาทิฐิความเห็นชอบเป็นอย่างไรนะความดำดิชอบหรือความคิดชอบเป็นอย่างไรนะวาจาชอบเป็นอย่างไรนะการกา ร, การทำการงานการเลี้ยงชีวิตความเพียรหรือว่าการระลึกชอบหรือว่าความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเราได้สวดแล้ว é, มันไม่ได้บอกว่ามันเกี่ยวกับความเป็นพระหรือความเป็นชีหรือความเป็นโยมเลยนะเพราะว่าทุกคนก็ทำได้นะใช่ไมความเห็นชอบเนี่ย เห็นทุกข์เห็นสาเหตุของความทุกข์รู้วิธีที่จะออกจากความทุกข์ทําทําในวิธีนั้นได้หรือว่าการคิดชอบการพูดชอบการทําสิ่งต่างๆชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้นะไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือว่าเป็นเป็นแม่ชีหรือเป็นญาโยมเราสามารถทําได้ทั้งนั้นนถ้าเราทําตรงนี้ได้เนาะอันนี้แหละเราก็จะเป็นผู้ที่ลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ย มันเป็นทางที่ออกจากความทุกข์ได้จริงไหมเรามาพิสูจน์ดูว่านะเรื่องพวกนี้มันทำให้เราออกจากความทุกข์ได้ไหมถ้าเราทำตรงนี้นะมันจะค่อยๆเห็นว่าอ๋อที่จริงการที่เราเดินตามมากมีองแตกเนี่ยมันจะทำให้ทุกข์ต่างๆมันเบาลงไปนะเราปฏิบัติทาไปสักแล็กนึงเราจะรู้ได้ใจของเราเองว่าอ้อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกเพราะว่าอะไรความทุกข์แต่ก่อนที่มันเคยหนักที่มันเคยทุกข์มากๆ ตอนหนาวมันก็ทุกน้อยลงหรือว่าเบาลงไปความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตจิตใจเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะสิ่งที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยลึกซึ้งก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะสิ่งที่แต่ก่อนมันละยากนะเช่นการเสพในกามคุณทั้งห้าเนาะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าการเสพในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดภายในก็ดี แต่ก่อนมันละยากแต่พอมีสติมากขึ้นเออมันละได้เนาะนะละความหลงยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสพทธะธรรมดมต่างๆมันละได้เมื่อใดที่มีสติเออมันละได้แต่เมื่อใดที่ขาดสติมันมันก็ลงไปติดนะลงไปยึดสิ่งต่างๆเป็นความชอบเป็นความชังเออมันก็เห็นอนิสง์ของการฝึกนี่มันก็มีนะนะถ้าเราดูดีๆ ถ้าเราฝึกถูกทางเนา ะ, นะเราก็จะสามารถพิสูจน์คําสั่งสอนของพระเจ้ญญาได้ตัวของเราเองนี่แหละในการกลับมาดูว่าเราปฏิบัติทำไปแล้วความทุกข์มันเบาลงไปไหมความทุกข์มันน้อยลงไปไหมนะหรือว่าปฏิบัติทำไปแล้วเราสามารถรู้ทันอารมณ์หรือว่ารู้ทันกายที่ทมันแสดงอาการไหมนะเช่นความคิดเกิดขึ้นเราปล่อยให้มันคิดจนจบเรื่องไหมหรือว่าเรา ปล่ให้มันหลงยาวไปหลายสิบเรื่องแล้วหรือเปล่าหรือว่าเรารู้ทันมันได้เร็วขึ้นนะที่จริงความก้าวหน้าของการปฏิบัติคือกานที่เรากลับมารู้หรือว่ากลับมาเห็นปัจจุบันของตัวเองได้เร็วที่สุดนั่นแหละคือการที่เราภาวนาได้ไ ด, ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดไม่มีความหลงแต่เพียงแต่ว่าเราภาวนาไปแล้วเรารู้ทันความคิดรู้ทันความหลงได้เร็วนะรู้ทันตัวเองได้เร็ว หรืบางทีอาการของกายมันเกิดความแน่นในอกเกิดความอึดอัดเกิดความไม่สบายแล้วก็รู้ทันมันได้อ๋ออาการแบบนี้มันเกิดเพราะกายมันผิดปกติอะไรหบางทีมันอาจจะเกิดเนื่องด้วยใจมันผิดปกติไปเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็อึดอัดใจเกิดความร้อนนะกับร่างกายนี้มันก็เห็นอาการของกายค่อยกลับไปเห็นอาการของใจเนี่ยมันก็สังเกตจากตัวของเราเองนะ พอเราปฏิบัติทำไม่ได้เราก็จะสังเกตตัวตัวของเราเองได้พอสังเกตได้มันก็คลายสิ่งที่มันยึดติดสิ่งที่มันถือมั่นในกายของเราเนี่ยแหละนียมันก็ละไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็เหมือนกันแล้วก็สังเกตได้อ้อมันเกิดขึ้นเช่นนี้เนาะเราก็ละมันไปได้อันนี้แหละคือคำสั่งสอนที่พระเจ้าท่านสอนเราไว้ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ควรศึกษาให้ถึงตรนนี้แหละนะศึกษาให้ถึงแล้วก็ ไม่ใช่ศึกษาเพียงแค่การอ่านการฟังแต่ก็สิ่งที่เป็นการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์หรือเป็นตัวตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้อ่านได้ฟังมานะมันถูกมันตรงแท้ขนาดไหนเนาะเราก็จะได้น้อมเข้ามาใส่ตัวได้อย่างที่เรียกว่าธรรมะเนะี่ยเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คือน้อมเข้ามาใส่ใส่จิตใจนี่แหละนะใส่ในการปฏิบัติเราไม่ใช่เพียงแค่น้อมรูปแบบ ของความเป็นพระหรือความรูปแบบของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาอันนั้นมาใส่ได้เพียงแค่เปลือกนอกภัยใส่ได้เพียงแค่เปลือกภายนอกนะเนาะเป็นเพียงแค่ชุดเท่านั้นแต่ใจของเราที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นี่แหละเราควรมาฝึกหัดให้เกิดความเป็นพระให้มากขึ้นนะพระก็คือผู้ที่เรียกว่ามีจิตใจสูงนะมีจิตใจที่งดงามมีจิตใจที่ประเสริฐ เราค่อยๆฝึกจิตใจที่มันยังเป็นผีนะที่ยังหลงในสิ่งที่เป็นอบายมุกอยู่หรือว่าเป็นสิ่งที่โดนโดนผีสิงผีอะไรครอบงำผีความโลภผีความโกรธผีความหลงผีความรักผีความชั่งเนี่ยที่มันสิงจิตใจเนาะนะที่จริงจิตใจนี่มันเป็นปกติมันเป็นประพัดสอนวามใยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผีนะถ้าภาษาพูเจะต้องบอกว่าอุปกิเลสนะ เขาจอนเขามาสิงชั่วขาวนะที่จริงจิตของทุกๆคนเนี่ยมันประพัฒสอนผ่องใสยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอุปกิเลสหรือความเศร้าหมองเข้ามาจอชั่วขาวถ้าเราสังเกตดีๆเราปฏิบัติดีๆมันจะเห็นว่าจิตมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่เจตสิกเจตสิกคือการปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาชั่วขาวแล้วก็ดับไปนะจิตมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอรู้ไม่ทันเจตสิก หรือความคิดปรุงแต่งหรือว่าผีร้ายหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้มันจรเข้ามามาเรียกว่ามาเกิดขึ้นชั่วข่าวเท่านั้นพอเรามีสติเราจะเห็นว่าอ้อมันเป็นคนส่วนกันนะกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเจตสิกความคิดนึกปรุงแต่งสังขารต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้เราจะเห็นนะีแล้วเราจะเข้าใจอ้อที่จริงมันแยกกันอยู่นะ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์สอนว่าที่จริงในโลกนี้มันมีเพียงแค่สี่สภาวะนะคือรูปหรือว่าวัตถุจิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็นิพพานมันมีสภาวะอยู่สี่สภาวะนี้เท่านั้นนะที่จริงมันอัศาจรรย์มากนะครูบาอาจารย์เราก็สอนไว้ตรงแล้วก็ถูกมากอย่างหลวงพ่อเทียนท่านสอนว่าอะไรดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะหรือว่าที่จริงท่านบอกว่า ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกายก็คือการดูรูปหรือว่าดูวัตถุดูกายเห็นจิตจิตก็คือจิตที่เป็นปกติจิตที่เป็นจิตประพัฒน์สอฟงใสจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งดูกายเห็นจิตนะดูคิดดูคิดก็คือดูความคิดดูสังขารที่ปรุงแต่งก็คือดูเห็นเจตสิกที่มันเกิดขึ้น ไม่เห็นเจตสิกที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะมันก็เห็นธรรมนะก็คือเห็นนิพพานก็คือเข้าใจว่าพอเห็นสังขารปรุงแต่งความปรุงแต่งของสังขารก็ดับไปสภาวะนิพพานก็คือความดับของความทุกข์ก็หมดไปก็คือเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นก็ปรากฏขึ้นนะจริงตรงเพราะเทียนท่านตัดไว้ในภาษาไทยง่ายๆนะถือจริงตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามากนะ ดูกายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นทำตรงที่พระเจ้าท่านสอนว่าทุกสิ่ง ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีสีสภาวะรูปหรือว่าวัตถุจิตจเจตสิกแล้วก็นิพพานแต่เนี่ยถ้าเราศึกษาที่จริงโอ้นี่แหละคำสั่งสอนที่ที่ตรงกับที่พระเจ้าท่านสอนไว้แม้ภาษาแม้กิริยาบางทีอาจจะแตกต่างกันไปแต่เนื้อในข้างในเป็นสิ่งที่เหมือนกันมากดังนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติที่เนี่ยให้พวกเรา มีความมั่นใจแล้วก็ชัดเจนเนาะในสิ่งที่เราปฏิบัตินะมั่นใจว่าคำส อ, สอนตรงนี้ยังเป็นคำสำสอนที่สืบทอดจากพระพุทธเจ้านะท่านสอนไวนะ้น่ะแต่ก็พูดแบบนี้ไม่ใช่บอกให้เชื่อแต่ให้พวกเราลองพิสูจน์ดูเอาการปฏิบัติในการรู้กายเคลื่อนไหวในการรู้ใจคิดนึกนั่นแหละนะเป็นตัวที่เรียกว่าทำให้เราเดินในทางอริยมรรคมีองคนะ์แปดนะแล้วเราก็มาพิสูจน์ดูว่า ความทุกข์ของเรามันน้อยลงไปไหมเรารู้ทันความคิดได้เร็วขึ้นไหมเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตบ่อยไหมเห็นละลัวางมันได้ไหมอุปทานการยึดมั่นถือมั่นมันมันจางมันคลายไปบ้างไหมนะ่ะเราจะพิสูจน์ได้ว่าเออมันเป็นจริงหรือเปล่าจากนั้นน่ะมันถึงจะเกิดศรัทธาที่แท้จริงนะนะ่ะเกิดศรัทธาที่จริงศรัทธาที่อะไรัธาที่โอ้เราก็ปฏิบัติทาได้เนาะ แล้วก็สามารถเข้าถึงสภาวะนี้ได้เนาะสิ่งต่างๆไม่ใช่เรื่องของฟุตเปรตเจ้าไม่ใช่เรื่องของภาษาบกไม่ใช่เรื่องของพระอรหันต์เท่านั้นแต่สิ่งต่างๆมเป็นเรื่องของเราด้วยนะถ้าเราศึกษาจริงเราจะน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ยกจิตยกใจให้มันสูงขึ้นไปได้อ น, นี่ยเราจะเกิดศรัทธาที่แท้จริงนะไม่ใช่เกิดศรัทธาที่เกิดเพราะว่าเห็นครูบาอาจารย์น่านับถือหรือว่า ได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความเชื่อเท่านั้นแต่เราจะเชื่อว่าเราก็ปฏิบัติทําได้ตรงนั้นแหละเราถึงจะเกิดความตัตตาที่แท้จริงนะเกิดความนับถืออย่างแท้จริงนะแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปจนทั้งถึงนั่นะแหละความไม่ทุกข์อย่างแท้จริงนั่นแหละเนาะมันก็เป็นเพียงแค่นะประตูทางเข้านะสู่โลกุตระธรรมนะแต่จริงประตูนี้ก็ยังต้องเดินทางไปถึงนู่นแหละวิมุตติคือความดุดพ้นทั้งหมดอันนี้ ก็ให้พวกเรามาช่วยกันสืบต่อพระพุทธศาสนาเนาะสองพันหรอปีที่พระเจ้าท่านสอนพวกเราไว้นะ่ะก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ารอการมาพิสูจน์พระเจ้าท่านตัดไปแล้วนะบอกว่าตราบใดถ้ายังมีคนเจริญอริยวัรรคมองแฝดอยู่โลกนั้นก็จะไม่ว่างจากพาระราหันเนะี่ยคำสั่งสอนนี้นะต้อามาพิสูจน์ดูเนาะถ้าโลกนี้มันไม่ว่างจากพระรหัน์เพราะว่า ไม่มีคนจะเดินอนิยมักมีองค์แปดเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากพวกเรามาเจริญกันนะจริญให้มากทำให้มากเนี่ยถึงจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนาะก็คงพอสมควรแก่เวลา